จะให้ผู้หมดเป็นผู้พานาไหว้พระและก็สมาทานศินคงจะยาวนานกว่าช้างกระทบหูอยู่มัง้งอะไรกับงยาวกว่าช้างแลบหูแลบติ้นอยู่มั้งกว่าที่พวกเราจะทานอาหารเสร็จคงจะไม่คงจะไม่ขาดสัตว์คงจะไม่ข้ามวยซัพย์คงจะไม่ประเพสผิ ด, ดในสามีภรรยาคงจะไม่โกหกไครในช่วงนี้นะคงจะไม่ดื่มน้ําเมา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 โอ้ทำไมลืมเน่ยเราเก็บไว้อย่างพระวินัยของพระสงฆ์ถึงใครจะลืมของอะไรก็ตามในวัดนพระต้องเก็บไว้ถ้าไม่เก็บไว้ปรับเอาบททุกกฎกับพระที่เฉยเมยไม่เก็บของเขาไว้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นอนำ้ำที่บอกภิกษุห้ามไม่ให้จับเงินจับทองก็ตามแต่ถ้าว่าเป็นของของเขาเนถึงจะเป็นอาวุธปืนก็เถอะ ถ้าเป็นของถูกต้องตามกฎหมายนะก็ต้องเก็บไว้เพราะเหตุไรเพราะมันทำมันเสียหายคือมาปรับเอาบัตรทุกกฎวเว้นเสียแต่เราไม่มั่นใจปืนตัวนี้มันปืนเถื่อนและปืนอะไรเราก็ไม่ควรจะเข้าไปใกล้มอนกันแต่ดูดูถ้าจะเป็นปืนตำรวจเนี่ยตำรวจเลิ่มนะตำรวจมันก็ต้องรักษากฎหมายอยู่แล้วในชะ่อันนี้เราก็ต้องเก็บไว้ให้เขาถ้าไม่เก็บไว้ปรับเอาบัตรทุกกฎ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 แล้วก็เห็นเกิดความเห็นอันนี้เห็นความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตจึงเสียสละหนีออกจากเฟียงวังไปกลางคืนไปกับนายชันนนะหนีออกจากกรุงกบิลพัทไปถึงแม่น้ําอโนมาณทีห่างจากกรุงกบิลพัทประมาณ200กว่ากิโลทุกวันนี้นะคนทุกวันนี้เขาวัดได้ใช่ไหม เ, เขาเอาเครื่องวัดเลยก็วัดได้จากนี้ไมาถึงที่ที่ ระยะทางเท่าไรเขาวัดได้ทั้งหมดเดี๋ยวนี้ประมาณ200กว่ากิโลไม่ใช่ไกลเหมือนกันน ะ, ะจากนั้นพระองค์ก็ไปบำเพ็ญอยู่ที่นั่นจากนั้นก็ได้ตรัสรู้วันพรุ่งนี้แหละได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณหลวงพ่อจะไม่อธิบายในรายละเอียดพอหลวงพ่อได้พูดมามากแล้วจุดนี้นะแต่ถึงยังไงก็ตามให้เราพุทธบริษัททั้งหลาย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 จนหมดทุกฝาแล้วว่ากันเอฝาฉาบข้าวนยังเหลือฝาสุดท้ายวันนั้ น, นอ่ะอพอทำเสร็จแล้วกอ็อไม่ให้ใครรู้ใครเห็นแล้วว่ากั น, นเอเพราะมีมีหคนท่นเองมีคือมีพ่อมีแม่มีลูกชายมีลูกสาวและก็มีคนใช้หญิงคนหนึ่งคนใช้ชายคนหนึ่งเป็นหคนปิดประตูอย่างดีเลยเออพอถุงข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ให้ใครรู้ใครเห็ุแล้วกันกินมือสุดท้ายแล้วมือนี่ยไม่มีอะไรหมดอีกแล้วกระเทาะหมดทุกฝาแล้วแต่นี้กำลังกลังล้อมวงกันอยู่แ่พระประเจกพุทธเจ้าท่านอยู่ในภูเขาขันธารรมาต์ป่าหิมะผานะท่านก็คงจะหิวอีกเหมือนกันมั้งท่านก็เข้าฌานชมาบัดเห็นแล้ว อ, อวันนี้เราจะไปเอาอาหารขอเเอาทหารที่ไหนเนาะ เห็นแต่พวกเศรษฐีหกคนยมปิดประตูปิดประตูบ้านเออคหาสตัวเองไม่ให้ใครเข้าไม่ให้ใครออกเละมีแต่พวกเขาหกคนกำลังจะล้อมวงข้าวกันอยู่พอประเจกับท่านมียาณทัศนะท่านมีฌานท่านมีอิทธิฤทธิใช่ไหมละ่ะท่านก็โว้ปุ๊บลงมายืนมายืนอยู่ตรงหน้าตรงหน้าไอพวกเขาเหล่านั้น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 ถึงยังไงก็ขอให้ข้าวเต็มยุ้งเต็มฉางอย่างเก่าจะให้ความคาว่าขาดตกบกพร่องอย่าได้มีกับข้าวไปเจ้าตลอดเ่อข้าวไปเจ้าพ้นทุก์ในวัฏสงสารถึงพระนิพพานทางผู้เมียกอสาธุนะข้าวไปเจ้าได้ทำบุญในวันนี้ข้าวไปเจ้าขอให้ได้ข้าวสวยเนี่เต็มหม้อเต็มโอ้แจกไม่รู้จักหมดจักสิ้น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 อันนี้สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องดูนะเห็นไหมล่ะอขนาดอคนใช้เศรษฐีคนใช้ชายทั้งที่ปรารถนาจะให้ได้ทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลอะไรแต่กลับไปปรารถนาให้ได้ไถนาได้หกของถ้าทุกวันนี่ก็คงจะมีเป็นรถไถของเรานี่แหละนะพอไถไปแล้วก็ได้ใสผ่ผานมากๆมันก็ได้หกของเกียรตของแปดของก็ได้ใช่ไหมล่ะนี่แหละจากนั้นก็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 ูเมียก็เลยไปออพอไปเปิดฝาหมอออ้อทานเอาโหข้าวเต็มหม้อเลยนกันแข้าวข้าวอย่างดีอีกต่างโอ้ยอันนี้สงทานของเราข้าวเนี่อกันกลับมากัพวกนี้ก็กินพอกินเสร็จแล้วก็ประกาศเลยร็จเทางประกาศไปเปิดดูวฉางข้าวดูสิไปเปิดดูว้างข้าวโอ้โหฉางข้า ว, าาวเต็มไปหมดเไปเปิดดูครังสมบัติดสิครังสมบัติก็เต็ม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 มันความคิดแปกแตกต่างกันพวกตัวนั้นพอเราต้องป่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเออเกิดมาในโลกนี่มันเป็นอย่างนี้เองนนะเนาะพออย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงเกิดความเบื่อหน่ายคลายจึงเข้าสู่นิพพานจะมาจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัาสงสารเพราะมันความคิดมันล้าเหลื่อมล้ากันเหลือเกินมันไม่น่าคิดมันก็คิดไม่น่าทามันก็นาทาไม่น่าผูดมันก็พูด